อาตังขมาณฑูตานมโยหีมังกรนุกัตมัง ตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะในอัตถกถามหาปรินิพพานสูตรกล่าวถึงพระภิโสผู้บำเพ็ญสารานิยธรรม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 ที่เขาถวายพิสูจนนั้นถ้าพิสูจนนั้นให้แก่คนอื่นอีกของไม่รู้จักหมดจักสิน้นเล่ากันมาว่าพระติดสัเทระผู้อยู่ณเลนัสิริอาศัยอยู่ในมหาสิริคามอยู่ถ้ามหาเทระมีประมาณห้าสิบรูปไปยังนาคาทวีปประสงค์จะไหว้พระเจดีย์เสร็จแล้วก็เที่ยวบินทบาทในสิริคามตอนที่ไปเที่ยวบินทบาทก็ไม่ได้อะไรอะไรเลยก็พากันออกไปที่จริงก็หมู่บ้านใหญ่นะ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 ทำบุญให้ทานเนี่ยผู้ที่จะประพฤติสมณธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายมันไปพบพระภิกษุทั้งห้าสิบรูปเนี่ยไม่ได้อาหารอะไรเลยก็คือก็ถามว่าถามตรงๆ น, นะท่านได้อาหารแล้วหรือยังคอรับแต่ภิกษุเหล่านั้นท่านก็ตอบว่าพวกเราจะจาริกกันไปแล้วละ่ะผู้มีอายุเดี๋ยวจะไปต่อแล้วเนี่ยนะดี๋ยก็ไม่บอกตรงว่าไม่ได้แต่บอกว่าจะไปต่อแล้วละ่ะ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 มหาอุบาสิกาบ้านใกล้ๆก็จัดน้ำนมและอาหารคอยพระเถระคือเขาเรียกว่าบางแห่งเนี่ยใส่บาตประจําประจําเฉพาะองค์เท่านั้นเองมันเคยใส่องค์เดียวก็จะใส่องค์เดียวอยู่ตลอดไปเนี่ยจะไม่มีการองค์อื่นมาก็ไม่ใส่ก็รอองค์เดียวนี่แหละะนั้นก็พอองค์นั้นมาถึงก็ประตูบ้านก็ถวายอาหารจนเต็มบาตรพระติสเถระนั้นก็ น, นาําบิณฑบาตไปยังสํานักของพระเถระทั้งหลายก็กล่าวกับพระสังฆเถระว่าโปรรับเถิดขอรับเนี่ยนะ ไปไปหาโงที่เป็นหัวหน้าพันสามมากที่สุดพระมหาเทรารูปนั้นก็กล่าวว่าก็มองดูหน้าพระเทระองค์อั่นนี่นะเหลียวดูไปหาพวกเอาไงกันดีอ่าก็เลยคิดว่าพวกเราเท่านั้นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่พระเทระรูปนี้ไปเดียวเดียวก็กลับมาพวกเราไปกันตั้งนานนะเดินมาทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดไม่ได้อาหารเลยองนี้ไปแป๊บเดียวได้อาหารมาเต็มบาทเอ๊มันยังไงกั น, น่ย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 ตั้งแต่เวลาที่สารานิยธรรมของผมนั้นเต็มแล้วถ้าแม้มีที่สุดหนึ่งแสนรูปของที่อยู่ในบาตผมก็ไม่มีหมดแต่ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนะไม่ไอ้สิบสองปีไม่มีความตรหนีในอาหารแล้วมีเท่าไหร่ให้หมดมีเท่าไหร่ให้หมดถ้าเหลือก็ถันถ้าไม่เหลือกางวันก็อดไปอะไรไปแล้วไม่เสียใจด้วยนะทําอยู่อย่างเงี้ยสิบสองปีนะติดติติ ด, ต, ด, ต, ด, ต, ดติดกันสิบสองปีถ้าพลาดก็ทําใหม่เป็นยี่สิสี่ปีถ้าพลาดอีกรอบหนึ่งก็น่นนะ 3ามสิหกปีนั่นและสีสิบแปดปีก็ไล่ไปเรื่อยนั่นแหละก็เท่ารอบสิบสองปีเลยนะก็ให้ทานทุกวันสะเดาะเคราะหมาแล้วสิบสองตีเต็มอะนะันก็ต้องอถ้าให้ทานได้ขนาดนี้ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่แน่นอนพระเะเหล่านั้นพอฟังแล้วก็สาธุสาธุ่านบุรุษท่านาบุรุษข้อนี้ท่านเนี่ยเหมาะจริงแล้วท่านทําดีแล้วนะสมควรแล้วที่จะได้รับวิบากเช่นนี้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 การให้ทานการรักษาศีเนี่ยเป็นบุญประเภทเพาะเมล็ดพันธ์ะนะเว้นไว้แต่ทำกับแบบทากับผ้าหันที่ออกจากนิโรธสมาบัติเท่านั้นะที่มันภายในเจ็ดวันเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็เหมือนกับงานเพาะเมล็ดพันธ์บางทีก็สิบปีขึ้นไปนั่นแหละถ้ารอได้ก็ไม่น่ามีปัญหาะนะให้ทานอย่างดีให้ทานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะไม่ว่า คิดไว้เหอะอย่างน้อยสิบปีนะถ้ายุคนี้นะเท่าที่สังเกตดูก็ประมาณสิบปีเว้นไว้ไปทํากับ น, นาบุญชั้นดีเนี่ยนะอาจจะเร็วขึ้นอีกหน่อยแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปก็คํานวณไปเลยประมาณสิบปีเป็นต้นไปเนี่ยวิบากจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องให้อย่างต่อเนื่องนะให้อย่างต่อเนื่องทําบุญเป็นปกติสักสิบปีขึ้นไปหลังจากนั้นต่อไปจะไม่เดือดร้อนจะไม่ลําบากในเรื่องของปัจจัยสี่แต่ว่าต้องทําต่อเนื่องแล้วก็ทําด้วย กุศ ล, ลจิตจริงๆนะทำด้วยหวังบุญหวังกุศลนะหัวให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรำแล้วก็คัดสรรผู้ผู้ที่เป็นนาบุญเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ประมาณสักสิบปีก็สบาย ก, ก, ก็ก็ต้นไม้ประเภทเนี่ยนะคือบุญกุศลทั้งหลายมันก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เพราะเมล็ดเนี่ยแหมถ้าหาว่าบางคนแหมจะทําเช้าเย็นจะขอผลเลยก็เหมือนบอกว่าเขาบอกไม้สักนะท่อนซรงไม้สักมันราคาสูงเอาไม้สักมาทําเฟอร์นิเจอร์ราคาก็แพง นั้นการปลูกไม้สักเนี่ยมีกำไรดีงามมากชาวบ้านนอกคนหนึ่งมาฟังเออเข้าท่าก็เลยเอาเม็ดมล็ดพันธุ์เนี่ยมาเพาะลงในนาตัวเองนะเย็นก็รดน้ําชาวก็รดน้ําเย็นก็รดน้ำสามวันไปแล้วไม่เห็นมันมีทรงมาสักทอดเลยในนาเนี่ยนะมันจะว่าไงอะ่ะเขาบอกว่าทรงไม้สักมันดีมีราคาเนี่ยมเมล็ดพันธุเนี่ยมันจะเพาะปลูกมาแล้วมันจะเป็นทรง มันบอกมันต้องเป็นร้อยปีละมั้งทําไม่สักนะนะแต่จัวัดมันจะเป็นไม่ส่งได้เอามาใช้งานได้ถ้าดินดีๆหน่อยก็สิบปีขึ้นไปนั่นแหละเพรานการทําบุญให้ทานทั้งหลายเนี่ยบางคนมาทําเช้าจะรอเย็นทาเย็นจะเอาเช้าบอกถ้าทําไม่ถูกที่ถูกแหล่งถูกกับผู้ที่เรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติโดยมากใช้เวลาทั้งนั้นเลยนนเนี่ยนะต้องรอเวลาใช้เวลาพอสมควรนั่นแหละบุญจึงจะให้ผลแต่ถ้าบุญทําปั๊บให้ผลทันทีเลยก็คือ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 จะว่าไงบางคนที่ไม่ไม่รู้เหตุรู้ผลก็ฉะ น, นั้นเนี่ยนะถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมทำบุญแล้วบุญไม่ให้ผลทำบุญมาตั้งมากมายทำไมบุญไม่ให้ผลบางครั้งเนี่ยก็ทำแล้วก็ไม่เป็นบุญก็มีเพราะว่ามโมแต่ซื้อหน้าอยู่โมโมแต่ทาเอาหน้าอยู่เพราะว่าลักษณะทาเพื่ อ, อย่างอื่นอยู่หวังผลอย่างอื่นแต่ว่านึกว่าตัวเองทำบุญไว้มากเนี่ยนะบุญนี้เขาร้องเรียกเอาจากอะไร ก็จากเจตนาเนี่ยนะเจตนานั่นแหละคือตัวบุญทานนี่หมายถึงตัวเจตนาถ้าหากว่าให้จนปราศจากความตรนีเป็นต้นนี่ก็สบายว้ถอไม่ลำบากในเรื่องของวัตถุปัจจัยทั้งหลายพระเทระองนี้นี่แหละเนี่ยนะไปยังสถานที่ที่ให้ทานกระวะก็มีการประชุมใหญ่ทำบุญให้ทานครั้งใหญ่เนี่ยนะที่คิริพันดะมหาบูชาที่เจติยบันพศ ท่านไปถึงท่านก็ถามว่าในเรื่องการทําบุญครั้งนี้มีอะไรเป็นของดีที่สุดอะไรเป็นของเลิศดีดีกว่าเพื่อนน่ะนะก็บอกว่าผ้าสาดกสองผืนพระติสาเทระก็พูดว่าผ้าสาดกสองผืนเหล่านั้นเนี่ยยังไงก็ถึงเราหมายคถาว่าของในที่ทําบุญนี้ทั้งหมดนะของดีที่สุดได้ผมอำมาทั้งหลายได้ฟังอย่างนั้นก็กราบทูนให้พระราชาฟังนะเหมือนกับพระที่นั่งขี้โม้เหลือเกิน อันน่ะป่าภิกษุรูปหนึ่งอ่ะท่านพูดอย่างนี้โม้มากบอกว่าท่านจะได้สองผืนเนี่ยพระราชาก็ตรัสว่าภิกษุนมมีจิตคิดอย่างนี้แต่ถึงยังไงผ้าสาดกเนื้อละเอียดผ้าดีมันก็คู่ควรแก่พระมหาธีระทั้งหลายก็เลยหมายตั้งใจว่าผ้าที่ดีก็ต้องแบบองค์หัวแถวจะได้ผ้าชั้นดีอย่างนั้นเถอะเพราะรูปนี้ถ้าอายุสักสิบสี่้าพรรษาก็อายุสาเศษเษอายุสี่บถ้าเทียบกับพระที่มีอายุเจ็ดปดเยอะแยะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ย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 เท้าเธอก็วางผ้าไว้ในมือของพิสูจนนั้นเสร็จแล้วก็มองหน้าอามาัดนะนะให้พิกสูหน์นมนั่งแล้วก็ถวายถานเออในนิมนต์นั่งก่อนครับว่างั้นพิเศษเอ๊ท่านพูดยังไงเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทําบุญเสร็จก็ไม่สนใจพระพิสูจน์สองกลุ่มอื่นแล้วมานั่งประทับนั่งใกล้ๆถามตรงๆว่าท่านบรรลุธรรมเมื่อไหร่อะนะโอ้ถ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดที่แรกว่าแล้วว่าจะได้ท่าสองถือนเนี่ยเป็นของอาตมาใช่ไหนะแล้วภามันก็ได้จริงๆเอ๊แสดงว่าได้บรรลุแน่นอน